ส1เกรรมที่เป็นบุญกับกรรมที่เป็นกุศลต่างกันยิ่งกรรมที่เป็นกุศลนั้นสั่งสมตกผลึกมีอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นอากุศลหรือกุศลเป็นคุณงามความดีความฉลาดที่ทำแล้วทั้งเป็นอันทำและทั้งตกผลึกสั่งสมให้เจ้าของรับผลของกรรม ส่วนกรรมที่เป็นบุญ น, นั้นมีแต่กิริยาไม่สั่งสมลงณที่ใดเป็นกรรมที่มีแต่ประสิทธิภาพในหน้าที่บุญเท่านั้นไม่ใช่ภาวะที่สั่งสมลงไปในที่ใดเพราะบุญคือกิริยาของจิตที่ทำหน้าที่ชํำระกิเลสจากสันดาน สันตานางปุนาติบุญคือกิริยาของจิตที่ทำสะอาดกิเลสในสันดานสันตานางปุนาติเท่านั้นผู้ใดทำกรรมถึงขั้นบุญผู้นั้นคือผู้สามารถทำการชำระกิเลสหรือบาปในปัจจุบันจากใจตนเองได้ และจะทำได้ในขณะมีองค์ประกอบของกายหรือของรูปกับนามประชุมกันอยู่ครบด้วยในขณะใดที่มีแต่รูปก็ทำไม่ได้หรือมีแต่นามก็ทำไม่ได้ยิ่งในขณะอดีตรหรืออนาคตก็ยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เลยบุญนั้นทาหน้าที่ชําริเลสนั้น สะอาดหมดจดแล้วก็หมดหน้าที่บุญก็สิ้นไปบุญยะปริขีโนเสร็จหน้าที่ก็ไม่ต้องมีบุญที่จะใช้ทําการชําราเกศนั้นอีกบุญก็หายไปบุญก็ไม่เหลืออยู่อีกในที่ใดบุญเป็นพลังงานที่ทําหน้าที่กําจัดหรือชําระกิเลสเท่านั้น บุญไม่ใช่กุศลที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นเครื่องอาศัยของชีวิตบุญมีหน้าที่แค่กำจัดผีร้ายในจิตของคนให้หมดสิ้นไปแค่นั้นจบกิตของบุญที่ชำระบาปชำระบาปในปัจจุบันใดหมดสิ้นเกลี้ยงสมบูรณ์บุญก็จบตัวตนสิ้นไปโดยอัตโนมัติ ก็เป็นอันสิ้นบุญสิ้นบาปเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปปุญญาปาปะปริกขีโน่ทำบุญก็ดีทำกุศลก็ดีทำได้แต่ในขณะเป็นปัจจุบันที่มีขันห้านี้ในคนเป็นเป็นนี้เท่านั้นในรกในสวรรค์ทำไม่ได้ นรกและสวรรค์เป็นภาวะเสวยผลเท่านั้นและไม่มีใครบังอาจเข้าไปแก้กรรมของนรกของสวรรค์ได้